ในน้อมจิตน้อมใจนะเรา ล, ลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณพระอาจารย์คุณบ า, า, าบ ร, รมีที่เราทำํำมาทั้งหมดนะจนะลดบันดาลพิบาลให้ให้ทุกทุกท่านเอาทำเข้ามาปรากฏในใจของทุกท่านด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าต้องตามเพียงแค่เป็นผู้นํำทำของพุทธเจ้ามาแสดงให้เข้าถึงจิตถึงใจของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ไอ้มีความสุขความสงบเริ่มเย็นแม้แต่เพียงชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีโยมพอ่อชื่อไหนปพุนเนาะโยมปปุณก็่ก่อนที่โยมปพคนจะเะสียชีวิตก็ได้ไปที่โรงพยาบาลไปพบไปที่โรงพยาบาลมาแล้วก็ไปท่านก็ได้ถวายสังฆทานแล้วก็ไป ที่เสด็จกุศลให้แล้วก็ไปสอนใน้ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธลูกชายก็เดี๋ยวประกอบก็มาปฏิบัติกับหลวงตาเป็นเวลานานแล้วก็ได้ช่วยพ่ออีกแปลงหนึง่งให้พ่อได้ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็เก่งนั่นก็ช่วยพ่อได้ถึงระดับหนึง่งทําให้พ่อเด็กไปดีหน่อยไปดี ไม่ไม่ไปไม่ไปต้องตกอบายไ ป, ไปตกระกามลำบากเนี่ยเรียกว่ามีลูกที่ดีอพ่อก็มีบุญลูกก็มีบุญได้มีลูกที่ดีกก ไ, ดดได้ประพฤติปฏิบททัติธรรมสามารถช่วยพ่อได้นะออช่วยพอ่อลูกที่ดีช่วยพอ่อช่วยแม่ได้ช่วยตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่ก็ลูกก็ช่วยประพฤติปฏิบททัติธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจแล้วก็ช่วย กุติสุกุตโสนช่วยแนะเ่ยชี้แนะพ่อแม่พี่น้องตัวเองปฏิบัติได้แล้วก็ช่วยชีแนะพ่อแม่พี่น้องแล้วตอนขณาดจะตายก็ช่วยสอนให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายสอนให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธทธระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าค <S ty le> <dubbed> ุณของพระธรรคุณของพระอริยสงฆ์ไอ้เระลึกถึงคุณพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ ให้อธิษฐานจิตถึงนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ตามพระยสง์ให้เอาธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าไปประดิษฐานอยู่ในใจของพ่อจนกว่าพ่อจะสิ้นลมหายใจสุดท้ายไม่ให้ถอนจิตออกมาให้ช่วยตลอดเวลาจนกว่าพ่อจะดับไปก็สอนอยู่สอนให้ลูกชายทําเพราะว่าคนอื่นทํามันจะไม่เหมือนกับลูกเพราะพ่อแม่ลูกมีมสายใหญ่ต่อกัน เพราะว่าในร่างของลูกก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นธาตุของพ่อคือธาตุดินนะสเปิร์มของพ่อเป็นธาตุดินมาอยู่ในร่างของลูกส่วนธาตุน้ำของแม่ก็คือไข่มาอยู่ในร่างของลูกนั้นเราเป็นลูกเนี่ยมันมาทั้งส่วนพ่อของพ่อกับส่วนของแม่มาอยู่ในร่างเราเรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็มีส่วนเอาของพ่อของแม่มาเลยต้องมีหน้าที่ตอบแทนคุณบิดามารดา คุณบิดา ม, มาดาเทียบเท่าคุณของอรหรันต์เพราะว่าอะไรเพราะว่าในร่างเราเนี่ยมีส่วนของพ่อแล้วส่วนของแม่ธาตุดินคือสเปอเป็นเป็นธาตุดินส่วนของพ่อส่วนน้ําก็เป็นธาตุไข่ของแม่เอามารวมอยู่ในร่างเราทาให้ร่างเราเนีมีชีวิตจิตใจขึ้นมาก็เกิดมาจากนั้นดังนั้นคุณของพ่อแม่ที่ทําให้เราได้กำเนิดมาคุณของท่านเทียบเท่าคุณของอรหรันต์ดังนั้น ล, ลูกเนะช่วยพ่อแม่ได้ พ่อแม่นี้ก็ช่วยลูกได้มันเป็นมันเป็นสายใหญ่ต่อการช่วยได้คนอื่นช่วยญาติดังนั้นคนไหนมีลูกพอพฤทธปฏิบัติธรรมโชคดีมากเลยทั้งตัวเองก็ช่วยตัวเองพอพฤทธปฏิบัติธรรมให้คนทุกข์ด้วยช่วยตัวเองอ่ะไม่ต้องไปตกผับบายช่วยภาวนาไว้หน่อยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธช่วยภาวนาไว้ทั้งลูกก็ช่วยภาวนาช่วยอีกแรงหนึ่งตอนจะดับตอนจะดับจิตสุดท้าย ลูกก็ช่วยอีกแกลงหนึ่งช่วยลูกทุกลูกหลานทุกคนก็ช่วยบอกให้พ่อว่าช่วยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหน่อยช่วยบอกพ่อบอกแม่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธโดยเรยกถึงพระพุทธเจ้าไว้จนดับจิตสุดท้ายพังลูกก็ปฏิบัติมาดีแล้วก็มีอํานาจจิตจิตสงบแล้วมีอํานาจจิตก็เอก็ภาวนาแล้วก็อธิษฐานเอาพระพุทธธรรมประสงค์มาไว้ในใจของพ่อจะตั้งพ่อดับไป พวกเราทุกคนเนี่ยเกิดมาหนีไม่พ้นนะนีไม่พ้นความแก่นีไม่พ้นความเจ็บนีไม่พ้นความตายทุกคนต้องประสบอยู่เช่นนี้อย่ามีชีวิตอยู่ด้ความประมาทให้น้อมเอาใจเป็นบ้านใจของเราทุกคนให้เป็นบ้าน น้อมเารัตนาเอาพระเข้าบ้านนิมนต์พระเข้าบ้านเข้ามาในใจของเราน้อมเอาพระพุทธเจ้าน้อมเอาพระธรรมน้อมเอาพระอริยสงฆ์เข้ามาไว้ในใจเอาพระเข้าบ้านบ้านก็คือใจของเรานี่แนบ้านก็คือใจของเรานะเป็นบ้านทุกขณะปัจจุบันเนี่ยน้อมเอาพระมาไว้ในใจ เอาพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมเอาพระอริยสงฆ์พระรัตนานิมนต์เอาพระพุทธเจ้าพระธรรมปริยสงฆ์อาไว้ในใจถ้าเราเอาพระเข้ามาบ้านเอาพระมาไว้ในใจพวกกิเลสมารทั้งหลายมันก็จะออกจากบ้านไปแต่ถ้าเราเอากิเลสเอามารทั้งหลายมาไว้ในใจพระก็จะต้องออกไปมันอยู่ที่เราทั้งหลายจะ ราตนานิมนต์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระริยสมพ้ามาไว้ในใจหรือว่าเราจะเอากิเลสมานำมาไว้ในใจเราทุกคนที่สุดก็ต้องจบลงเช่นนี้เหมือนโยบกคนทุกคนไม่มีใครเลยที่จะหลีกหนีพน้นนี่คือสัจธรรมความจริงในโลกนี้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บไปอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาล น, นั่นแหละสุดท้าย แก่แล้วก็้ายมีโรงพยาบาลเป็นที่สุดท้ายแล้วก็ไปจบตรงที่โรงพยาบาลห น, นีไม่พ้นเลยอันเนี้ยมันอยู่ที่ว่าทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเราได้เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมหรือยังหรือมีแต่ความเกาะเกี่ยวขัวพันห่วงใหญ่ไปทั่วถ้าเรามีแต่ความเกาะเกี่ยวขัวพันมีแต่ความห่วงใหญ่มีแต่ความทุกข์อันนี้เนี่ยเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลย เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะให้พร้อมเพราะทุกคนจะต้องจากไปจะต้องเป็นอย่างโยบพนอย่างนี้ทุกคนความแก่ความเจ็บความตายไม่อาจหลีกหนีพน้นต้องมีความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องรัตนานิมนต์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เข้ามาไว้ในใจของเราคือบ้านบ้านนะีคือใจให้ใจมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขภาวนาไว้พุทโธพุทโธ โทฟุตโทให้ใจมีความสงบล่มเย็นเป็นสุขนั่นแหละคือเป็นพระเมื่อไรใจที่สงบล่มเย็นเป็นสุขนั่นแหละคือเป็นพระแล้วเป็นพระพระคือมีแต่ความสงบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีแต่ความสงบล่มเย็นเป็นสุขเมื่อไรที่ใจมันหายจากความสงบล่มเย็นมีแต่ความทุกข์ความเล่าร้อนมีแต่ความเดือดร้อนเป็นปืนเป็นไฟไปด้วยไฟกิเลสทั้งหลายไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะ ไฟแห่งความโลภไฟแห่งความโกรธไฟแห่งความหลงไฟแห่งมานะทิฏฐิถือตัวถือตนทิฏฐิมานะไม่ยอมฟังใครไม่น้อมาพระพุทธเจ้าพระธรรมปริยส่งเข้ามาไว้ในใจใจก็เลยมีแต่ความทุกข์ความเล่าร้อนมีแต่ความเกาะเกี่ยววัวพันนั่นแน่เมื่อไร่ที่มีแต่ความทุกข์ความเล่าร้อนความเกาะเกี่ยววัวพันรักก็หายไป เราต้องน้อมเปิดใจเราเป็นบ้านรับเอาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสง์มาไว้ในใจไอ้ใจมีความสงบลมเย็นน้อมเข้ามาแล้วก็รวมลงพระพุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณรวมลงที่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจจนกระทถางดับไปด้วยพุทโธดับไปด้วยพุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณพุทโธพุทโธพุทโธนะ นี่เน่จะพ้นจากทุกขติพพไปได้เราจะหวังให้ลูกหลานเนี่ยมาช่วยเราบอกทางเราตอนที่เราจะดับจิตมันจะไม่ทันเราจะหวังอะไรกับลูกหลานว่าตอนที่เราจะดับจิตลูกหลานจะมาช่วยอธิษฐานระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระยสงศัยอยู่ในใจเราได้ไหมอ่ะลูกหลานจะทำไหมแล้วคอยจะมีใครก็มาบอกเราที่หูอยู่ตลอดเวลาว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ทธเรายังไม่เคยน้อมมา ถึงใครจะมาบอกเราอย่างไงใจเรามันก็ไม่น้อมตามมัญยาแล้วจะหาลูกหลานที่มีอํานาจ จ, จิตุึกิตดีๆน้อมเอาพระพุทธธรรมไปยศน้อมเข้ามาสู่ใจของเราโดยตรงก็ยากอีกความยากคือจะหาลูกที่ขยันปฏิบัติลูกหลานที่ขยันปฏิบัติช่วยเหลือเราตอนเราจะดับจิตก็ไม่มีเพราะลูกหลานก็ไม่ได้สนใจปฏิบัติตัวเราก็ไม่ได้สนใจปฏิบัติว่าใครจะมาบอกที่หูให้พุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธเราก็ไม่เราก็ ทำไม่ได้มันมีแต่ความเกาะเกี่ยวหัวพันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อ ง, ง, องน้อมเองน้อมเอาคุณของพระพุทธเจา้าคุณของพระธรรมคุณของพระญาสงฆ์เข้ามาสู่ใจอย่าหวังพึ่งใครตอนที่จิตมันจะดับสุดท้ายเราต้องดับไปขาพุทโธพุทโธพุทโธจนดับไปเลือกสุดท้ายดับไปด้วยพุทโธพุทโธพุทโธนั่นแน่มีสุคติพบเป็นที่หวังนะ เราต้องช่วยตัวเองในทุกขณะปัจจุบันเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมทุกคนมานั่งในที่นี้ก็ดูๆแล้วก็เออายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วแต่ละคนเลยเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ไปมันก็แน่นอนอยู่แล้วทุกคนไม่ว่าใครแม้แต่ตัวหลวงตาแม้แต่ผู้พูดแล้ะ ผ, ผู้ฟังทั้งหลายที่สุดไม่ว่าแม้แต่มีอายุน้อยก็จะประมาททุกคนต้องจบลงทุกคนความแก่ความเจ็บความตายมีไม่พนะ้นเนาะ ปยาทิธามโมมหิปยาทิงอนัตติโตเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่อาจจะร่วมพ้นไม่อาจจะจะหนีความแก่ไปได้พยาทิธามโม ม, มมหิปยาทิงอนะตติโตอะไรก็จลาทิธามโมมหิจลาติงอนัตติโตเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่อาจจะร่วมพ้นความแก่ไปได้พยาทิธามโมมหิพยาทิงอนัตติโต เราต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่อาจจะล่วงพ้นไม่อาจจะหนีไปได้ที่สุดนี่แหละ ICU เนี่ยแหละโรงพยาบาล ICU ทุกคนต้องไปจบลงที่นั่นส่วนใหญ่แทบจะเกือบทั้งหมดสุดท้ายต้องไป ICU เนะ่ะไปโดนสายโยงสายยาเขาเจาะไว้เต็มไปหมดเลย มีแต่เครื่องประโยงระยางหมดเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าถึงเวลานั้นเราอยู่บนเตีย ง, น, งนั้นน่ะเราจะทํำยังไงล่ะอยู่บนเตียงนั้นเราจะมีอะไรเป็นที่พึ่งถ้าเราไม่เคยเปิดใจเราให้เป็นบ้านน้อมเอาพระพุทธเจ้ า, าน้อมมาคุณของพระพุทธคุณของ พ, พ, พระธรรมคุณของริยโสสมมาไว้ในใจของเราแล้วถึงเวลานั้นเรานอนอยู่บนเตียงนั้นตลอดเวลาแล้วเราจะทําอย่างไรเราจะอยู่กับอะไรถ้าเราไม่เคยไว้เราไม่เคยประพฤติปฏิบัติไว้ ไม่เคยภาวนาไว้ถึงเวลานั้นเราอยู่บนเตียงก็มีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความห่วงใยมีแต่ความเกาะเกี่ยววัวพันและมีแต่ความทุกข์นอนอยู่ด้วยความทุกข์ความฟุ้งซ่านตลอดเวลาเราต้องฝึกฝนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมถึงเวลานั้นเราก็อไม่ห่วงใยอะไรแล้วสมบัติมีเท่าไหร่เอามาแบ่งให้หมดแบ่งตั้งแต่สมบัติใหญ่ๆนวอนที่ดิน ก็แบ on ่งให้พร้อมแบ่งให้หมดเลยที่ดินเอามาแบ่งให้ทุกคนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็แบ่งบ้านแบ่งที่ดินอสังหาริอมาซั์เสร็จแล้วก็มีแบ่งสังหาริมทรัพย์ให้หมดแบ่งให้หมดเออเปิดในตู้เซฟมีอะไรเงินฝากธนาคารมีอะไรบ้างก็แบ่งให้ลูกให้หลานให้หมดทุกคนจะแบ่งให้ใครก็แบ่งให้หมดจะได้หมดพวงเสร็จแล้วมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้แบ่งเอาแบ่งให้หมดแบ่งให้หมดหมดแล้ว ไม่เหลืออะไรอสังหาเ ร, รมซา์ก็แบ่งให้ทุกคนหมดแล้วอย่าทะเลาะกันนะแบ่งพ่อแม่แบ่งให้ครบหมดแล้วทุกคนอย่า mastered, ทะเลาะเกี่ยวกทะเลาะกันสามัคคีกันพี่น้องก็ช่วยเหลือกันแล้วก็เอาสังหาเ ร, รมซา์ในตู้เซฟก็แบ่งเปิดมาแบ่งให้หมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วทั้งอสังหาเรมซา์สังหาเ ร, า ร, รมซา์ก็แบ่งให้หมดเลยทุกอย่างพ่อกับแม่ไม่เหลืออะไรแล้วปล่อยให้หมดแล้ว ทุกอย่างหามาก็เอาไปไม่ได้แล้วก็ น, นี่แน่ให้ลูกให้หลานนี่แน่แล้วหมดแล้วตอนนี้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วตอนนี้พวกเจ้าก็ดูแลกันให้ดีเอ่ตอนนี้ก็ใจว่างเปล่าแล้วไม่เกาะเกี่ยวไม่วงใหญ่ละทุกคนที่เหลือก็น้อมเอาใจว่างเปล่าแล้วไม่เกาะเกี่ยวไม่วงไหญไม่พัวพันและแบ่งให้หมดแล้วก็น้อมเอาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพุทธสมเข้ามาสู่ใจ พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธที่สุดจนหลับไปทุกวันทุกคืนก็ทําแบบนี้นะจนหลับไปทุกวันเลยเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนหลับไปแล้วตื่นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธทําอะไรก็พุทโธพุทโธนอนก็นอนพุทโธตามผสมมาแล้วก็ฝึกจนหลับไปอย่างเงี้ยพุทโธพุทโธจะหลับไป เวลาเราจะดับจิตสุดท้ายก็เหมือนตอนนอนหลับอะไงความรู้สึกตัวมันเริ่มไม่รู้สึกตัวแล้วเริ่มเบอร์เบอร์ไปความคิดก็เริ่มค่อยค่ห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปความรู้สึกตัวก็เริ่มเบอร์เบอร์ไปก็เหมือนนอนหลับอะไนแต่เพียงแต่ว่าตอนหลับเนี่ยมันตื่นมาอยู่ในร่างเดิมแต่ตอนตายแล้วเนี่ยมันตื่นมาบางทีไม่ตื่นมาอยู่ในร่างใหม่ซะแล้วไม่รู้จะไปเกิดเป็นอะไรฉะนั้นเราก็พุทโธไว้จนหลับไป ตอนสันเราจะตายก็ตายด้วยพุโทโธพุธโทโธเหมือนที่เราฝึกฝนมาดีแล้วนแนนจะเป็นที่สุคติพบเป็นที่หวังนะเพราะว่าเรามั่นใจอยู่กับพุโทโธพุธโทโธจนหลับไปทุกวันเราก็มั่นใจว่าตอนที่เราเนี่ยไปอยู่ไอซียอยู่บนเตียงคนไข้เราก็จะอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธจนหลับแล้วก็ดับไปเหมือนตอนที่เราหลับถ้าเราฝึกฝนอย่างนี้จนชํานาญเราก็จะไม่ต้องกลัวอะไร ไม่ต้องห่วงใยกังวลอะไรเนี่นะก็จะเป็นจะตายอะไรก็แบ่งไป ห, หมดสมบัติรสถานจะได้หมดห่วงหมดห่วงหมดกังวลแล้วพ่อแม่หามาทั้งหมดก็ให้หมดแล้วไม่มีอะไรติดค้างอยู่แล้วหมดแล้วหมดแล้วทุกอย่างไม่เอาอะไรไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ก็นึกถึงแต่พุทโพพุทธโธพุทธโธนึกถึงพระพุทธคุณธรรมะทุนพระสังฆคุณเปิดเปิดใจรับเอาเปิดบ้านเปิดใจเป็นบ้านรับเอาอรัตนา เอาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เอาพระเข้ามาในบ้านเมื on, ่อพระเข้ามาบ้านแล้วใจก็สงบล่มเย็นมีความสงบลมเย็นหลับไปแต่ละวันหลับไปด้วยคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณพระสงฆ์ใจก็มีความสงบลมเย็นไม่ว่วงายไม่กังวลไม่เร่าร้อนไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเนี่แน่ถ้าใจมันเป็นพระใจก็เป็นความสงบลมเย็นถ้าใจเป็น เป็นโลกเป็นกิเลสเป็นมาแล้วก็เป็นไฟไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟแห่งความโลภไฟแห่งความวิตกกังวลห่วงใหญ่รับใช้บัวพันมีแต่ความทุกข์เพลอยเดือดร้อนก็เอาไฟมาเผาใจตัวเองให้เป็นทุกข์เลวร้อน น, น้่นแหะพระก็ออกไปแล้วเอาพระนิมนต์อารตนาอพระมาดับไฟในใจเหมือนกับฝนตกจากฟ้ามาดับไฟในใจให้มีความสงบลมเย็น ดับไปในใจที่เราร้อนให้หมอดที่หมอดให้มันหมอดลงไปหมอดลงไปแล้วก็ดับไปไปสู่ความสงบลมเย็นดับสมดังตุตตพุทธิตัดว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบเป็นไม่มีก็สมควรแก่เวลาแล้วนะก็ะสมควรแก่เวลานะให้มรรมะพอสมควร แาแต่แม้แต่เวลาน้อยนิดมีก็มีค่าสําหรับพวกท่านที่จะเดินเล่นชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้และปรับไปทุกวนันด้วยพุทโธพุทโธพุทโธจนกระทั่งตลอดชีวิตของท่านอยู่ได้ใจที่สงบลมเย็นของพระเอาไว้ในใจเมื่อไร่ที่คุณของพระมาไว้ในใจใจก็สงบลมเย็นเหมือนน้ำอำาอมฤตเมื่อไร่เนี่ยพระไม่อยู่ในใจแล้ว มันก็เอาไฟเข้ามาสู่ใจทำให้มีความทุกข์ความเล่าร้อนไปด้วยทุกประการสมบัติพุสธสถานบ้านช่องที่ดินต่างๆกับินเงินทองต่างๆนั้นเอามาทั้งหมดเนี่ยเอาไปไม่ได้เราไม่สามารถเอาไปได้อย่าไปอ่วงใยไปกังวลสละอกอกเสวยให้หมดควจะดับแล้วก็สละอกอกเสียให้หมดไม่สามารถเอาไปได้หราก็ <c oughs> <c oughs> หมดห่วงหมดกังวลจะได้อคุณของพระมาไว้ในใจจนถึงวาระสุดท้ายนะขออพระคุณของพระคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์จงสถิตอยู่ในใจของพวกน่านทั้งหลายไอ้ใจของทุกท่านจงเป็นธรรมใจเป็นธรรมอยู่กับธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรม ด้วยใจที่สงบลมเย็นหาสุขตลอดกาล